การปฏิบัติธรรมดำเนินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อมรักผลนิพพานควรที่จะกำหนดกรอบเวลาวางแผนขั้นตอนของการปฏิบัติเหมือนกับการเรียนหนังสือที่ มีการกำหนดกรอบเวลาไว้เช่นขั้นอนุบาลก็มีอยู่3ปีขั้นประถมก็มีอยู่6ปีขั้นมัธยมก็มี6ปีระดับปริญญาตรีก็4ปีปริญญาโทก็2ปีปริญญาเอกก็5ปีนี่คือกรอบเวลาแล้ว แผนการของการเล่าเรียนทางโลกการปฏิบัติทางธรรมก็เป็นแบบเดียวกันควรจะมีกรอบเวลาของการปฏิบัติเหมือนกันเพราะว่าพระพุทธศาสนานี้ก็เป็นเหมือนกับสถาบันการศึกษาเหมือนกับมหาวิทยาลัยเหมือนกับโรงเรียนต่างๆซึ่งนักศึกษา ทางสถาบันของพระพุทธศาสนาก็ควรที่จะกาหนดกรอบของการเรียนของตนกรอบของการเรียนการศึกษาทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่สองระดับเดวยกันระดับนักบุญกับระดับนักบวชเริ่มต้นก็เริ่มต้นที่ระดับนักบุญก่อน นักบุญมีต้องปฏิบัติอะไรบ้างก็ทำทานและรักษาศีลห้าเป็นปกติอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกรอบของนักบุญและรวมไปถึงการภาวนาตามเวลาพอสมควรเนื่องจากระดับของนักบุญนี้ยังเป็นข่ววาสผู้ครองเรือน ผู้ที่ยังมีภารกิจการงานต่างๆที่จะต้องทําเกี่ยวกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนและครอบครัวของตนตการภาวนาจึงคงจะไม่มีเวลามากเหมือนกับเวลาที่เป็นนักบวชการภาวนาอาจจะภาวนาได้เช้าเย็นเช้าคืนชั่วโมงเย็นคืนชั่วโมง หรือมากกว่านั้นอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถแล้วแต่เวลาที่จะอำนวยให้แก่แต่ละบุคคลแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในกรอบของขั้นขั้นของนัก บ, บุญอยู่คือทำทานอย่างสมัยก่อนก็ดูสมัยนี้บางบ้าน ถ้ามีพระผ่านมาบิณฑบาตก็จะถึงเป็นภารกิจจะต้องใส่บาตรทุกเช้าแล้วก็รักษาศีลห้าตอนเช้าก่อนจะตื่นขึ้นมาเกิพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ล้างหน้าล้างตาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิตามพอสมควรแก่เวลาแล้วก็เตรียมอาหาร เตรียมหูหาอาหารกับข้าวกับป่บบาไว้ใส่บาตก่อนที่จะไปดําเนินชีวิตของการทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในช่วงการดําเนินก็ต้องมีศีลห้าเป็นผู้คอยกากับการดําเนินชีวิตของตนคือจะไม่ละเมิดศีลห้าแม่ว่า ในกรณีใดก็ตามธรรมะคิดบางคนบอกว่าการรักษาศีลห้านี้ยาก <c oughs> ก็เพราะว่าความอยากได้เงินมากๆอยากได้ง่ายๆนั่นเองจึงทําให้การรักษาศีลยากแต่ถ้าเรามองไปที่ผลที่เราต้องการจากการรักษาศีลเราก็จะเห็นว่า การที่เราต้องเสีย ส, ะสละศีลธรรมอันดีงามเพื่อแลกกับเงินทองรายได้นี้มันไม่คุ้มกันเพราะศีลธรรมนี้จะเป็นเครื่องปกป้องรักษาไม่ให้จิตใจของเราต้องตกไปในอบายหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วผู้ที่รักษาศีลห้าได้เป็นปกติ จะไม่ต้องไปใช้คมในอบายทั้งสี่คือเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือตกนรกถ้าเห็นคุณค่าของสีแนละ้วก็าจะสามารถรักษาได้อันนี้ก็คือหน้าที่การปฏิบัติของนักบุญ ทำบุญทำทานทุกวันรักษาศีลเป็นศีลห้าเป็นปกติแล้วก็บำเพ็ญจิตตภาวนาไหว้พระสวดมนต์ตามเวลาอันสมควรอันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในขั้นของนัก บ, บุญที่เราจะอยู่ในขั้นของนัก บ, บุญสักกี่ปี ถึงจะก้าวขึ้นสู่ขั้นของนักบวชบางท่านก็ต้องรอให้เกษียณอายุก่อนเช่นถ้าเป็นข้าราชการรับราชการก็อยากจะรอให้แก่ก่อนเราค่อยทุ่มเทเวลาให้กับการเป็นนักบวชบางท่านก็เห็นว่า เวลานี้มันไม่แน่นอนชีวิตของคนเราไม่แน่นอนก็พยายามที่จะออกบวชให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านที่จะต้องพิจารณาเองว่ามีความปรารถนาการได้ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการได้บรร ล, ลุมรรคผลวิปานตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกทั้งหลายว่าจะมีความยินดีมากน้อยเพียงไรหลรงท่านไดความยินดีก็สามารถออกบวชได้ตั้งแต่อายุยี่สิปี แล้วก็ของเพศของนักบวชไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วก็คว้ารางวัลอันเลิศอันประเสริฐของการได้เป็นนักบวชก็คือได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์สาก ข, ของพระพุทธเจ้าใ น, ในชาตินี้เลยชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ไม่ต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดอีกต่อไปอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีโอกาสที่จะสามารถทำชาตินี้ให้เป็นชาติสุดท้ายได้เพราะเราไม่มีผู้นำทาง ไม่มีครูบาอาจารย์ก็คือพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่เรามีกันในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับการมีสถาบันการศึกษาทางโลกสมัยก่อนถ้ายังไม่มีมหาวิทยาลัยจุฬางลงกรณ์หรือธรรมาศาสตร์ผู้ที่ศึกษาก็จะไม่สามารถที่จะ สำเร็จระดับปริญญาตีขึ้นไปได้แต่พอมีการก่อสร้างก่อตั้งวิาารองกรมาวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ได้รักศึกษาได้มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาเ ร, เรียนก็มีผู้มีโอกาสได้จบปริญญาตีโทเอกกันตามลำดำับ อันนี้ต้องมีสถาบันการศึกษาให้การอบรมสั่งสอนความรู้ต่างๆฉันใดพระพุทธศาสนาก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับไม่มีมหาวิทยาลัยเมื่อไม่มีมหาวิทยาลัยการที่จะจบปริญญาข่านต่างๆย่อมเป็นไปไม่ได้ฉันใดถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา การที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆภายในาชาตินี้พวกนี้ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันจะเป็นได้อย่างมากก็คือการสะสมบุญบารมีไว้สำหรับคอยรอให้ได้พบกับพระพุทธศาสนาก่อนถึงจะสามารถที่จะ บรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะทางสู่มรรคผลนิพพานนี้เป็นทางที่เราจะไม่สามารถค้นคว้าหาได้ด้วยตนเองต้องรอคนอย่างพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีความรู้ความสามารถความฉลาดที่จะค้นหาทางสู่พระนิพพานได้ พอมีพระพุทธจเจ้ามาตัสรุแล้วมาประกาศพระธรรมคำสอนก็จะมีสถาบันพระพุทธศาสนาขึ้นมามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ขึ้นมาพอเรามีแล้วเราก็สามารถเข้าไปสมัครเรียนได้ถ้าเรามีภูมิเช่นถ้าเราเป็นเราอยากจะเข้ามาหาวิทยาลัยเราก็ต้องจบระดับ มัธยมก่อนฉันใดผู้ที่จะเข้าสู่สถาบันของพระพุทธศาสนาได้ก็ต้องเคยสร้างบุญสร้างกุศลไว้ในอดีตถึงจะสามารถทำทานได้เป็นปกติทุกวันรักษาสี่ได้เป็นปกติทุกวันและวาวพระสวดมนต์บำเพ็ญจิตตภาวนาได้ทุกวันถ้าเรา ได้บำเพ็ญขั้นนักบุญไปอย่างกรหมัอกระแม่นอย่างเข้มข้นและทําเพิ่มทําส่วนของการภาวนาให้มีมากขึ้นเบื้องต้นอาจจะทําแค่วันละชั่วโมงเช้าครึ่งชั่วโมงเย็นชั่วครึ่งชั่วโมงต่อไปก็อาจจะเพิ่มเป็นวันละสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงแล้วในวันพระก็จะปฏิบัติ เต็มที่เคยจะเป็นนักบวชชั่วคราวจากการถือศีลห้าก็จะมาถือศีลแปดแล้วก็จะไม่มีภารกิจการงานต่างๆจะมีภารกิจการปฏิบัติธรรมเท่านั้นก็คือจะเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมสลับกันไปทั้งวัน อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการฝึกหรือการเตรียมตัวที่จะเป็นนักบวชเต็มรูปแบบต่อไปเพราะต้องเริ่มจากในวันอุโบสถวันพระวันธรรมสวนระที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เพื่อที่จะให้นักบุญทั้งหลายได้มีโอกาสลิ้มรสชิมรางของชีวิตของนักบวช ว่าดีว่าประเสริฐกว่าชีวิตของนักบุญอย่างไรชีวิตของนักบุญนี้ยังต้องอาศัยการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายยังต้องมีคู่ครองแต่การมีสิ่งต่างๆก็มีผลเสียตามมาเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีเจริญได้มีเสื่อมได้มีดีได้มีเสียได้เวลาที่เสื่อมเวลาที่เสียก็จะเป็นเวลาที่ไม่ได้ให้ความสุขเป็นเวลาที่จะให้ความทุกข์แต่เวลาที่เราได้มาใช้ชีวิตแบบนักบวช เราก็ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราจนเราไม่ต้องมีคู่ครองไม่ต้องร่วมหลับนอนกับคู่ครองเราไม่ต้องหาความสุขจากการรับประทานอาหารงานเลี้ยงอ่านฉลองอะไรต่างๆไม่ต้องมีมอหอรสุกเครื่องบรรเทิงต่างๆไว้คอยสร้างความสุขให้กับเรา เพราะเราจะใช้วิธีสร้างความสุขด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาทำใจให้สงบเพราะความสุขที่ได้รับจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวดและเป็นความสุขที่แน่นอนกว่าเพราะไม่มีตัวแปรมากเหมือนกับความสุขทางร่างกาย ทางตาหูจมูกลิ้นกายที่จำเป็นจะต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีรูปเสียงกล่นรสผลประภะที่ถูกออกถูกใจมาให้สัมผัสถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ไปเมื่อร่ความสุขจากสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปแต่การหาความสุขด้วยการทำจิตใจให้สงบ นี้ไม่จาเป็นจะต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายไม่จำเป็นจะต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสปุจจพะอาศัยธรรมะคือสติอาศัยศีลแปดที่จะคอยคอยกั้นความอยากที่จะออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอาศัย ส, สถานที่สงบสงัดวิเวกอาศัยเวลาว่าง จากภาลักิจการงานต่างๆนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถหาได้ง่ายกว่าหาลูกเสียงกลิ่นรสปธภุพะหาตาหูจมูกร่้นกายที่สมบูรณ์ตลอดเวลาถ้าเราได้พบกับความสง บ, บได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสง บ, บแล้วเราจะหูตาสว่างขึ้นมา เหมือนกับว่าได้พบกับสิ่งที่ไม่เคยพบมาก่อนตั้งแต่ตเกิดมาในในโลกนี้พอได้พบกับความสงบแล้วจะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับความความสงบ น, นี้ก็จะทำให้เกิดมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาคือเกิดเอธิบาสีที่อยากจะบวช ที่อยากจะปฏิบัติให้ได้เต็มรูปแบบ<ม>ก็จะเริ่มมีการพัฒนาการปฏิบัติมีการพัฒนาการปฏิบัติให้มากขึ้นอาจจะเพิ่มจากวันหนึ่งเป็นสองวันสองวันเป็นสามวันหรือบางช่วงบางเวลา ถ้ามีเวลาว่างจากภารกิจการงานก็อาจจะใช้เวลาว่างจากภารกิจการงานเหล่านั้นมาปฏิบัติธรรมแทนที่จะใช้เวลาเหล่านั้นไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอย่างที่เคยดำเนินมาเมื่อก่อนนั้นก่อนที่ยังไม่ปฏิบัติพอมีเวลาว่างเช่นมีวันหยุด ช่วงพักฤดูร้อนหยุดวันอดูร้อนมีเวลาหยุดได้15วันหรือเดือนหนึ่งก็อาจจะไปพักผ่อนหย่อนใจตามสถานที่ตากากาศสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่พอเราได้เริ่มสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญจิตธรรวนาแทนที่เราจะไปใช้เวลาแบบนั้นเราก็จะ ไปอยู่วัดแทนแทนที่จะไปไ ป, ไปอยู่ตามสถานที่ต่างอากาศไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็ไปปลีกวิเวกแทนไปอยู่ตามวัดว่าที่สงบสงัดที่เอื้อต่อการบาเพ็ญจิตรภรรน า, าปฏิบัติจเจริญสติด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งสมาธิเพื่อทำจิตให้สงบ ให้ได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายถ้าได้ปฏิบัติมากขึ้นก็จะเกิดความชำนิชำนาญการปฏิบัติก็จะรู้สึกง่ายขึ้นเพราะเหมือนกับการกระทำอะไรต่างๆเวลาเริ่มทำใหม่ๆจะรู้สึกว่ายากเช่นเวลาหัดพิมพ์ดีดใหม่ๆนี้ต้องหัดจิ้นทละนิ้วที่นิ้วไปเรื่อยๆก่อน เพื่อให้เกิดความชำนาญพอเกิดความชนานาญแล้วก็สามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว อ, อย่างง่ายดายฉันได้การฝึกปฏิบัติเจริญสติด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิก็จะเป็นอย่างนั้นจะรู้สึกว่ามันยากเพราะมันขัดต่อความรู้สึกใจของเรานี่ปกติเคยถูกปล่อยให้คิดได้เลื่อยสก่อยไม่มีกรอบ ไม่มีอะไรมาคอยควบคุม บ, คบังคับพอใจต้องถูกควบคุม บ, คบังคับไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะเคยได้หาความสุขกับการกระทาตามความอยากต่างๆ เมื่อก่อนอยากจะดูอะไรก็ได้ดูอยากจะฟังอะไรก็ได้ฟังอยากจะดื่มอะไรก็ได้ดอยากจะรับประทานอะไรก็ได้รับประทานแต่พอมาปฏิบัติจเจริญสติเพื่อควบคุมความอยากต่างๆควบคุมความคิดต่างๆก็เป็นเหมือนกับคนที่ติดยาติดสุราหรือติดบุหรี่แล้วไม่สามารถที่จะ สูบบุรีไม่สามารถที่จะดื่มสุราไม่สามารถที่จะเสพยาเสพติดได้ตอนนั้นก็จะเกิดอาการหงุดหงิดเกิดอาการเศร้าซ้อยหงอยเหงาขึ้นมาอันนี้ผู้ปฏิบัติก็ต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องอย่าปล่อยให้มันกลายเป็นปัญหาขึ้นมา วิธีการที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาก็คือต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆเวลาที่มันเกิดอารมณ์เหล่า น, นี้ขึ้นมาแสดงว่าไม่ได้เจริญสติแล้วไม่ได้ควบคุมความคิดปรุงแต่งไม่ได้บริกรรมพุทโธพุทโธหรือว่าไม่ได้ใช้การเจริญสติในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ปล่อยให้ใจคิดไปตามอารมณ์พอปล่อยให้คิดปับ๊บก็เป็นเหมือนวัวปากพอจิตเคยชอบอะไรเคยอยากอะไรก็จะคิดถึงสิ่งนั้นทันทีชอบดูดชอบฟังก็จะคิดถึงเรื่องดูเรื่องฟังพอคิดแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาพออยากแล้วไม่ได้ทําตามความอยากก็จะทําให้เกิดอารมณ์ ไม่ไม่ดีขึ้นมานีเพราะว่าเราพังเขอไม่ควบคุมความคิดไม่บริกรรมพุทธโธพุทธโธหรือไม่สวดมนต์หรือไม่ควบคุมใจให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนกับที่เกาะใจที่จะป้องกันไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ถ้าเกิดอารมณ์เหล่านี้แล้วต้องรู้เลยว่าต้องกลับมาบริกรรมพุโทโธแล้วจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปไม่ได้เพราะถ้าปล่อยไปแล้วมันจะเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นเกิดความหมดเยดความไม่สบายเพิ่มมากขึ้นจนในที่สุดก็จะทนไม่ได้ก็จะต้องสิขาลาการบวชไปชั่อกา ไถือศีลแปดก็อาจจะวันนี้ขอยกเว้นขอไปรับประทานอาหารเย็นหรือขอไปดูละครหรือไปงานเลี้ยงอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติถ้าอยากจะให้เจริญก้าวหน้าก็จำเป็นที่จะต้อง มีกราบมีเวลาว่าตอนนี้เราเป็นนักบุญหรือเป็นอะไรถ้าเป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะเกิดในครอบครัวของพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เป็นนักบุญเต็มรูปแบบก็คือไม่ได้ทำทานเป็นปกติไม่ได้รักษาศีลเป็นปกติไม่ได้บาเพ็ญจิตตะภาวนาเป็นปกติก็ถ้าอยากจะเริ่มเป็นนักบุญ ก็ต้องเริ่มทำตัวให้เป็นนักบุญก่อนกำหนดว่าต่อไปนี้จะต้องทำทานเป็นปกติทำมากทำน้อยก็สุดแท้แต่กำลังของทรัพย์ที่มีอยู่มีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยดาบใดที่มันไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเราเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเงินทองก็ใช้ได้รักษาศีล ให้ได้มากน้อยเท่าที่จะทำได้ภาวนาะให้ได้มากน้อยเท่าที่จะทำได้แล้วพอวันพักก็ทำซ้อมเป็นนักบวชสักวันหนึ่งทำอย่างนี้ไปจะกำหนดกล่าวไว้ว่ากี่เดือนกี่ปีก็ตามแต่เพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีพันธะกรณีที่ไม่เหมือนกันบางคนมีครอบครัวมีความรับผิดชอบ มีลูกก็อะไรจะต้องเลี้ยงดูให้เจริเติบโตก็อาจจะต้องใช้เวลายาวหน่อยบางคนนี้เป็นโสดไม่มีครอบครัวไม่มีพันธะกรณีอะไรมากก็อาจจะกำหนดให้ให้เป็นนักบวชได้เร็วขึ้นอันนี้ก็ต้องผู้ปฏิบัติถ้าต้องการที่จะได้มักผลนิพพานภายในชาตินี้ จำเป็นที่จะต้องกำหนดแผนการของการปฏิบัติและกรอบเวลาไว้คร่าวๆแล้วพยายามดำเนินตามแผนตามกรอบเวลาที่วางไว้เพราะแผนและกรอบเวลานี้จะเป็นเหมือนตัวที่จะกระตุ้นที่จะบังคับให้ผู้ปฏิบัติเดินก้าวหน้าไปนั่นเองถ้าไม่มีแผนการไม่มีกรอบเวลาปล่อยให้ไปตามสบายสบาย ตามอารมณ์ก็เป็นเหมือนกับเรือใบที่ไม่มีหางเสือถ้าเรือใบไม่มีหางเสือเรือใบก็จะจะวิ่งไปตามกระแสลมหรือกระแสน้าจะไม่สามารถวิ่งไปทางอื่นได้แต่ถ้ามีหางเสือเราก็สามารถคัดเรือให้วิ่งทวนกระแสน้ากระแสลมได้เพื่อให้ไปสู่จุดหมายที่เราต้องการไปได้ ังนั้นการก ำ, กำหนดกรอบเวลาและแผ น, แผนการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่ควรที่จะวินิจฉัยกันถ้าต้องการที่จะให้การปฏิบัติก้าวหน้าไปตามลำดับและให้สําเร็จได้ภายในภพนี้ชาตินี้เราดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จออกจาก พระราชวังสระราชสมบัติในวัย 29,000 ษาและได้ทรงบำเพ็ญอยู่6ปีพอวัย3 5 0 0รษาก็ได้ตัดสรูเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าภาษาโลกแต่ละรูปท่านก็เช่นเดียวกันท่านก็มีการออกบวชในอายุที่ต่างกันไปตามแต่ สถานภาพของแต่ละคนว่าจะออกบวชได้ช้าเร็วก็ทำกันไปตามกำลังของตนพอบวชแล้วก็ดำเนินการปฏิบัติอย่างขมั ก, ข ม, กขม่นทุ่มเทเ ว, มเวลาทั้งหมดให้กับการปฏิบัติเพราะว่านักบวชนี้ไม่มีภาระเกตหน้าที่อย่างอื่นนอกจากการ ปฏิบัติและการดูแลสถานที่ที่พักให้สะอาดเรียบร้อยดูแลอัตภาพร่างกายให้คงอยู่อย่างปกติกิจวัตรของพระนี้จึงเป็นกิจวัตรที่พวกเราควรที่จะศึกษาดูพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระออกเบญทบาทตอนสว่างตอน วันวันใหม่ตอนรุ่งอรุณออกไปบิณฑบาตเสจจากการบิณฑบาตก็กลับมาฉันที่ศาลาที่วัดฉันเสร็จก็ให้เก็บกวาดทงความสะอาดล้างบาทเช็ดบาทกวาดถูศาลาเก็บทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ให้กลับไปสู่ที่พักของตนเพื่อเดินจงกรมนั่งสมาธิ ขณะที่ปฏิบัติภารกิจต่างๆก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวคือต้องมีสติอยู่ทุกเวลานาทีตอนบินทบาทก็มีสติอยู่การบินทบาทไม่ใช่บินทบาทไปก็คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ใจก็จะจอดจ่ออยู่กับการเดินการรับอาหารของต่างๆที่ศรัทธาญาติโยมใส่เข้าไปในบาศ การเปิดบานเปิดปิดฝาบานก็จะไม่มีเสียงเพราะมีสติทุกเวลาถ้าการเปิดปิดฝาบานมีเสียงนั่นแสดงว่าเผลอสติแล้วหรือถ้าถึงขั้นกลับปล่อยให้ฝาบานหลุดมือลงไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเผลอสติอย่างร้ายแรงสำหรับนัก บ, บวช การทำกิจอะไรหลังจากกลับมาจากการบินถ่ายก็สำรวมว่ากายว่ า, จาใจไม่พูดไม่คุยกันมีหน้าที่จัดอาหารเข้าบาตก็จัด ก, กันไปพอถึงเวลาฉันก็ฉันกันไปต่างคนต่างฉันจะไม่สนทนาคุยกันเหมือนกับคารวะญาติโยมเพราะว่านักปฏิบัติกับคารวะญาติโยมนี้ ไม่เหมือนกันคารวะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเจริญสติเพราะยังไม่ไม่รู้ถึงความจำเป็นของการเจริญสติก็เลยใช้การพูดคุยกันเป็นเป็นการให้ความสุขต่อกันให้ความเพิดเพลินสังเกตาาดูคารวะญาติโยมเวลาพบกันนี้ถ้าต่างคนต่างไม่พูดอะไรนี้จะรู้สึกไม่สบายใจ ต่างคนต่างคิดภายในใจว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรเขาไม่พอใจเราหรืออย่างไรแต่สําหรับพระสําหรับนักปฏิบัตินี้กลับกันเป็นคนละเรื่องไปเจอกันแล้วไม่พูดไม่จาไม่คุยกันต่างคนต่างทําภารกิจของตอนไปจนมีเรื่องที่เล่ากันมาในพระไตรปิฎกว่าสัตวายะโยมสงสัยว่าพระพัดนี้เขาทะเลาะกันหรืออย่างไร เขาไม่ชอบขี้หน้ากันอย่างไรถึงเวลาก็ามาทำภารกิจไม่เห็นเขาคุยกันเลยต่างคนมีตาทาหน้าที่ของตนไปนี่คือความไม่เข้าใจของคารวะญาติโยมผู้ครองเรือนไม่เข้าใจถึงการปฏิบัติของพระว่าต้องสำรวมกายวาจาใจตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ ทำใจให้สงบได้นั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติต่ต<ะ>่อเช้าก็ออกบิณฑบาตกลับมาก็ฉันที่ศาลาเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดอะไรต่างๆให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็กลับไปที่พักไปเดินจงกรม นั่งสมาธิการเดินจงกรมนั่งสมาธินี้ก็ทำได้ตามขั้นของธรรมของแต่ละท่านถ้ายังไม่มีสติท่านเริ่มต้นก็จเจริญสติไปก่อนเช่นภาวนาพุทโธพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาเดินก็บริกรรมพุทโธเวลานั่งก็บริกรรมพุทโธจนกว่าจิตจะเข้าสู่ความสงบ ถ้ามีความสงบบ้างแล้วเวลาออกมาจะเจริญสติต่อก็ได้หรือจะเจริญปัญญาก็ได้ให้พิจารณาปัญญาคือให้พิจารณาไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆของพระนี้ท่านก็มักจะให้พิจารณาขันห้าเป็นหลักคือโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าของคารวะญาติโยมก็อาจจะต้องพิจารณาราบยศสารเสริญสุส ทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะยังมีความผูกพันยังมีความเกี่ยวข้องอยู่แต่สำหรับพระนี้ท่านได้สละาสลาภยศสารเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วท่านก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปพิจารณาจากเรื่องราวเหล่านี้นี่คืองานที่จะท่านจะต้องบําเพ็ญตลอดทั้งวันทั้งคืนนอกจากเวลาพักผ่อนหลับนอน กลับมาจากบินาบาทฉันเสร็จกลับมาที่พักเดินจงกรมนั่งสมาธิจนกว่าจะเหนื่อยอยากจะพักกลางวันก็พักประมาณสักชั่วโมงตอนประมาณเที่ยงเที่ยงพอติ่นขึ้นมาประมาณบ่ายโมงก็เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อจนถึงเวลาปัดกวาดปัดกวาดเสร็จถ้ามีน้ำปานะฉันก็ดื่มน้ำปานะไปเสร็จแล้วก็ กลับไปสงน้ำซักจีวเปลี่ยนผ้าซักจีวรผ้าเก่าที่ใช้เมื่อสงน้ำเสร็จรักผ้าเสร็จก็เข้าทางจงกรมต่อไปก็ให้พระเจ้าก็สงกำหนดให้เดินจงกรมนั่งสมาธิตั้งแต่เวลา6โมงเย็นถึง4ทุ่มพอถึง4ทุ่มหรือ5ทุ่ม ก็พักสี่ชั่วโมงพอถึงเวลาตีสองหรือตีสาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไปจนถึงสว่างถึงเวลาออกบินทบาดนี่คือกอบเวลาของการปฏิบัติของพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้กับพระภิกษุทั้งหลายผู้ที่ปรารถนา การหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ที่ปรารถนาการบรรลุมากผลนิพพานส่วนการบรรลุนี้จะช้าหรือจะเร็วนี้เป็นสิ่งที่กําหนดไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของแต่ละแต่ละท่านบางท่านก็มีความรู้ความสามารถมากสามารถบรรลุได้ภายในเวลาไม่กี่วันก็มี ไม่กี่อาทิตย์ก็มีไม่กี่เดือนก็มีอย่างที่พระเจ้าทรงตัดไวทรงประยากรไวในในตอนท้ายของสติม ห, มหสติปฐานสูตรว่าถ้าํำเพญอย่างต่อเนื่องจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องภายในเจ็ดวันก็บรรลุได้ ถ้าบรรลุเจ็ดวันไม่ได้ก็ภายในเจ็ดเดือนถ้าภายในเจ็ดเดือนบรรลุไม่ได้ก็ภายในเจ็ดปีจะต้องบรรลุได้อย่างแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างนั้นภาษาวกทั้งหลายท่านก็มักจะบรรลุในกรอบเวลาที่พระพุทธเจ้าได้สรงกาหนดไว้ได้ทรงพยากรณ์ไว้ยกเว้นกรณีแต่พิเศษที่อาจจะมี เหตุต่างๆที่อาจจะทําให้ไม่สามารถปรรลุภายในกรอบเวลานั้นได้เช่นพระอานอนท์นี้ท่านมีภารกิจที่จะต้องคอยอุปถรัรมภะถาพระพุทธเจ้ารู้สึกว่าท่านได้บรรลุเพียงขั้งแรกแล้วก็ต้องติดอยู่ในขั้นนั้นอยู่ยีสิบกว่าปีด้วยกันเพราะต้องคอยปฏิบัติปณิบัติพระพุทธเจ้าอุ ป, รรปถัมภะฐาพระพุทธเจ้า จนถึงวาระสุดท้ายของพระพุทธเจ้าพอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้สเสด็จดับขันธ์ทัพปานิพานไปแล้วพระอาน า, านท์ก็มีเวลาที่จะปฏิบัติอย่างเข้มข้นได้เต็มที่พอได้ปฏิบัติอย่างนั้นภายในระยะเสามเดือนก็บรรลุได้ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรง ปยากรไว้ก่อนที่จะจากไปตอนที่พระอานนท์มีความเสียอกเสียใจที่จะต้องสูญเสียพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าก็ส่งปลอบใจว่าเธอไม่ต้องเสียใจเพราะว่าหลังจากที่เราจากไปแล้วภายในสามเดือนเธอก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้บรรลุถึงพระนิพพานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของ กรณีที่ไม่ปกติเพราะว่าไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เหมือนพระรูปอื่นพระรูปอื่นที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วไม่มีภารกิจอย่างอื่นที่จะต้องปฏิบัติก็สามารถปีกเว้ไปปฏิบัติตามน้พังและสามารถบรรลุผลได้ ตามกรอบเวลานั้นนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะถามตัวเองและกำหนดตัวกำหนดแผนการปฏิบัติของเราว่าชาตินี้เราต้องการอะไรเราต้องการบาเพ็ญเพื่อให้เป็นชาติสุดท้ายหรือว่าเรายังต้องการที่จะบาเพ็ญบุญกุศลไปเรื่อยๆ อันนี้ไม่มีใครบังคับไม่มีใครเลือกทางให้กับเราได้เราต้องเป็นผู้เลือกทางเองและต้องเป็นผู้บังคับเองถ้าเรายังต้องการที่จะอยู่แบบนักบุญอยู่แบบคารวะญาติโยมอยู่กับความสุขทางลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ดําเนินไป ในฐานะของนักบุญไปแต่ถ้าเราเบื่อกับการชีวิตของเรือนเบื่อกับความทุกข์ที่มีกับสถานภาพของผู้ของเรือนเพราะเราจะต้องมีการสูญเสียสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้ไปบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ไปเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เราลักบุคคลที่เราลัก มันก็เป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ทรมานใจกับการสูญเสียเราก็อาจจะต้องก้าวขึ้นไปสู่การเป็นนักบวชเพราะว่าถ้าเราบวชเราสามารถปฏิบัติทำและบรรลุธรรมได้เวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักหรือบุคคลที่เรารักไปนี้จะไม่กระทบกระเทือนจิตใจของเราเลย เพราะเรามีธรรมที่จะคุ้มครองรักษาใจไม่ให้ต้องทุกข์ทรมานใจไปกับการสูญเสียต่างๆอันนี้ก็อยู่ที่เราเองว่าเราต้องการจะไปในทิศทางไหนไปถึงขั้นไหนถ้าไปแค่ขั้นนักบุญเราก็ทำทานเป็นปกติรักษาศีลห้าให้บรยสุด แล้วก็บำเพ็ญจิตตภาวนาไปตามสมควรแก่เวลาที่เราสามารถปฏิบัติได้ถ้าเราอยากที่จะเป็นนักบวชเราก็ต้องเริ่มขึ้นที่วนัวนพระวันพระเราก็ต้องถือศีลแปดละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มาบำเพ็ญจิตตภาวนาจเจริญสติเพื่อควบคุมความคิด ไม่ให้คิดไปในทางความอยากเพื่อให้ใจว่างใจสงบเพื่อให้ได้สัมผัสกับความสุขที่ดีกว่าถ้าเราทำได้ในวันพระต่อไปเราก็จะเพิ่มทำวันอื่นได้จากอาทิตย์ละวันก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันสามวันไปตามลำดำับจนอาจจะปฏิบัติได้ทั้งเจวัน ถ้ายังไม่สามารถที่จะออกบวชไปอยู่ตามลําพังได้ครับวชก็บวชอยู่ภายในใจไปก่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับบุคคลต่างๆไปก่อนถ้ายังไม่สามารถที่จะแยกตัวออกไปได้ถ้าแยกตัวได้ก็แยกตัวไปไปอยู่ตามลําพังเพราะการอยู่ตามลําพังนี้จะเอื้อต่อการจเจริญก้าวหน้าของการปฏิบัติ เวลาอยู่ร่วมกันกับคนนั้นคนนี้ mm. ก็อาจจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่จะมาเกี่ยวข้อง mm. ก็อาจจะต้องเสียเวลาของการปฏิบัติไปเพื่อมาทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ mm. แต่บางครั้งชีวิตของเราบางทีก็เลือกไม่ไดเ้เป็นเรื่องของวิบากกรรม mm. เหมือนกับการเดินทางถ้าเรายังไม่ได้ขึ้นทางด่วนเรายังติดอยู่ ถนนชั้นล่างอยู่เราก็จะไปได้ไม่ได้เร็วติดไฟแดงบ้างติดอะไรต่างๆบ้างแต่ถ้าเราขึ้นทางด่วนได้เมื่อไหร่การเดินทางของเราก็จะไปได้อย่างรวดเร็ ว, รวการที่เรายังต้องอยู่กับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้อยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่มันก็เป็นเหมือนกับการขับรถอยู่ใต้ทางด่วน ที่ยังต้องมีสีแยกไฟแดงมีรถบามากมายที่วิ่งสวนตัดกันไปสวนตัดกันมาจึงทำให้ไม่สามารถวิ่งไปได้ตลอดเวลาต้องมีการจอดบ้างวิ่งบ้างสลับกันไปแต่ถ้าได้ขึ้นทางด่วนเมื่อไหร่ก็จะไม่มีรถตัดทางกันก็สามารถที่จะเดินทางไปได้โดยที่ไม่ต้องจอดไปถึงจุดหมายปลายทางได้ ายในเวลาอันอันอั น, อ น, อนสั้นอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการปฏิบัติถ้าเราสามารถปีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นที่จะต้องทาได้เราก็จะเหมือนกับได้ขึ้นทางด่วนถ้าเราได้ขึ้นทางด่วนจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปมันก็จะใช้เวลาไม่มาก การปฏิบัติของเราผลที่เราต้องการมันก็จะใช้เวลาไม่มากแต่ถ้าเรายังเปกี๊วเวกไปอยู่คนเดียวไม่ได้ยังมีภาระเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้อยู่มันก็จะทำให้การปฏิบัติของเราไปได้อย่างเชื่องช้าอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องพินิตพิจารณาดูว่าเราจะมีขั้นตอนมีกรอบเวลาหรือไม่ ในการที่จะทำให้เราได้ขึ้นทางด่วนกันเพราะว่าเวลาของเรามันก็มีจํากัด mm hmm. เราไม่รู้ว่าเราจะหมดเวลาเมื่อไหร่ mm hmm. ชีวิตของเ ร, mm hmm. เราอาจจะคิดว่าวันนี้เราสมบูรณ์แข็งแรง mm hmm. แต่พรุ่งนี้อาจจะเกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็ได้หรืออาจจะไปประสบกับอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติทําได้อย่างเต็มที่ก็ได้อันนี้เราก็ควรที่จะคิดพิจารณาด้วยว่าเวลานี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรก็จะเกิดขึ้นได้ตอนนี้เราอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่เราจะปล่อยให้โอกาสนี้เวลานี้มันผ่านไปหรือ หรือว่าเราควรที่จะรีบตักตวงโอกาสนี้ไว้เสียตั้งแต่ตอนนี้อย่าไปหวังว่าคิดว่าภายในห้าปีข้างหน้าหรือสิบปีข้างหน้าเรายังจะเป็นอย่างนี้อยู่นี่คือเรื่องของการกำหนดกรอบเวลากำหนดขั้นตอนของของการปฏิบัติเพื่อจะได้มีอะไรเป็นตัว ที่จะบังคับให้เราต้องดำเนินต้องปฏิบัติเพื่อให้ไปตามกรอบตามเวลานั้นเหมือนกับการเรียนหนังสือเขามีการกําหนดกรอบเวลาแล้วพอถึงสามปีก็ได้ขึ้นขั้นประถมหกปีก็ได้ขึ้นขั้นมัธยมหปีต่อมาก็ได้ขึ้นขั้นมหาลัยไปอย่างนี้ไปทันใด การดำเนินของพวกเราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้ถ้าเรายังไม่เป็นนักบุญที่สมบูรณ์ก็ทำตัวเองให้เป็นนักบุญที่สมบูรณ์ทำทานรักษาศีลภาวนาแต่ยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มเท่ากับนักบวชวันพักก็เอาแบบนักบวชหนึ่งวันแล้วต่อไปก็เพิ่มเป็นสองวันสามวันไปจนสามารถที่จะทำได้ตลอดเวลาก็ หาที่ปีกไม่เว่ไปหาที่ไปอยู่ตามลําพังถ้าไม่มีพันธะกรณีกับผู้ใดก็ไปเลยถ้ายังมีอยู่ก็ต้องอยู่กันต่อไปก่อนจนกว่าจะหมดพันธะกรณีนั้นไปอันนี้แหละที่จะทําให้เราสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เราอย่าไปคิดว่ามรรคผลนิพพานนี่เป็นของลึกลับเป็นของยากเย็น มันก็เป็นเหมือนกับการศึกษาปริญญาขั้นต่างๆนี่สมัยที่เราเป็นเด็กๆ เ, เรามองเห็นการปริญญาแล้วก็ท้อแล้วหรอว่าเราจะเรียนไปถึงขั้นนั้นได้อย่างไรแต่ถ้าเราเรียนของเราไปขยันไปรงเรียนทุกวันทุกวันปีหนึ่งก็ได้ขึ้นชั้นหนึ่งขึ้นชั้นหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวในที่สุดก็เข้ามาหาวิทยาลัยได้แล้วจะจบปริญญาได้แล้วอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราบําเพ็ญตามที่พระเจ้าทรงสอนให้บําเพ็ญ บำเพ็ญทานศีลภาวนาจากขั้นนักบุญขึ้นไปสู่ขั้นนักบวชจากวันหนึ่งเป็นสองวันเป็นเจ็ดวันจนปฏิบัติไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เองมักผลนิพพานมักสี่ผลสีนิพพานหนึ่งมันไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่ขั้นตอนของการปฏิบัติของเรานี่เองถ้าเรามี ความขยันหมันเพียงมีสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนผลต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นตามมาผลเกิดจากเหตุไม่ได้เกิดจากอะไรทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากพระพุทธเจ้าต่อให้มีพระพุทธเจ้าร้อยองค์มานั่งเชียร์เราถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดีแต่ถ้าเราปฏิบัติ ไม่มีใครมาเชียร์เราก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้ามีเชียร์ก็ดีเหมือนกันอาจจะให้กำลังใจเช่นเวลาเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากพุ่พระเจา้าได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์พอฟังแล้วมันก็เหมือนกับได้ได้กองเชียร์มาช่วยสนับสนุนทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจเหมือนกับว่ามรรผลนิพพานนี้อยู่แค่ปลายมือปลายมือเรานี้เอง เพีแต่ยื่นออกไปก็ได้แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ดีถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนคอยให้กําลังใจเวลาที่เราท้อแท้เบื่อหนายพอได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็จะเกิดกําลังจิตเกิดกําลังใจขึ้นมาพอมีกําลังใจแล้วก็จะสามารถปฏิบัติต่อไปได้นะ จึงขอฝากเรื่องของการกำหนดกรอบเวลาการวางแผนการปฏิบัติให้ท่านได้นำเอาไปพิเิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเท่านั้ขอนุโมทนาให้พ่อน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 ระโสยทถาสพิตโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทานสีิทสะนิจังวุฒาปจาิโนจัตตารุธรรมวทานติอายุวันโสุขังภา ล้วต่อไปนี้ก็จะมีคำถามถ้าญาติโยมตรงนี้อยากจะถามอะไรก็ถามได้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะมีคำถามจากทางอินเทอร์เน็ตเข้ามาครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k พระอาจารย์สุชาติพิชโตนะครับ คำถามแรกนะครับมีคนมาปรึกษาว่าได้ซีดีธรรมะของคารวาสมาจากท่านหนึ่งเป็นธรรมะของคารวาประมาณว่าจบกิจเป็นพระอรหันต์โดยอาจารย์ท่านนี้ได้กล่าวในซีดีว่าการนั่งสมาธิเดินจงกรมทำบุญเป็นเรื่องงมงายไร้สาระโดยผมตอบกลับไปว่าให้เชื่อมั่นธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าเดินทางไหน เราก็เดินทางนั้นนี่เป็นคำถามไม่เป็นอะไรฮะ <c oughs> เป็นเป็นคำถามครับพ่อจาร์เพราะว่าอ่าตอนนี้มีผู้ที่กำลังหลงแล้วก็มีการกระจายคำสอนนี้พื่เป็นคำสอนของคารวาส <c oughs> และบอกว่า <c oughs> ไม่จาเป็นต้องทำอะไรเลยอยู่เฉย ๆ, <c oughs> ๆก็เข้าพานิพานขอ <c oughs> ขอตอบปัญหาโดยการเล่าเรื่อง ตอนที่พระพุทธเจ้าใกล้จะเสด็จพระนิณิพานทรงประชวนอย่างหนักแต่มีชายคนหนึ่งนี่มีปัญหาอยากจะถามพระพุทธเจ้าแต่พระอนนท์นี้พยายามห้ามไว้ไม่ให้เข้าไปแต่พอพระพุทธเจ้าได้ยินก็บอกว่าอนนท์อย่าไปห้ามเขาให้เขาเข้ามาชายคนนี้เขาก็เข้ามาแล้วก็มากับาถามพระพุทธเจ้าว่าในโลกนี้ ต่ยุคนี้มีลัทธิมีคาสอนอยู่มากม า, กายก่ายกองเราจะแยกแยะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคำสอนนั้นเป็นคำสอนที่จะนำพาให้เราได้ไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงอุตย่าเขาทรงตอบว่าคำสอนบรรไาก็ตามที่มีมากเป็นองค์8คำสอนนั้นเป็นทางเป็นคำสอนที่ถูกต้องที่จะพาผู้ปฏิบัติ ได้หลุดพน้นจากความทุกข์อย่างแน่นอนนั้นก็ขอให้เราหยุดคำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไว้ก็แล้วกันว่าคำสอนใดถ้าไม่มีมรรคก็อย่าไปสนใจมรรคคืออะไรก็ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สัมมาสังกประความดำริชอบความคิดชอบ 3. สามสัมมากรรมโตการกระทำชอบ สสัมมาวาจาการพูดชอบ 5. สัมมาอาชีโวโออาชีพชอบ 6. สัมมาวายาโมความเพียรชอบ7สัมมาสติความระลึกรู้ชอบและ8สัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตชอบนี่คือมรรคที่มีองค์8คือองค์ประกอบที่จะทําให้จิตนี้หลุดพ้นจาก กิเลสตันหาหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ถ้าคำสอนใดไม่สอนอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นคำสอนที่จะพาให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ขอให้เรายึดหลักนี้ไว้เวลาใครมาประกาศคำสอนว่าดีอย่างไรวิเศษอย่างไรลองถามดู ว, ว่ามีมรรคที่เป็นองแปดอยู่หรือเปล่า ถ้าสอนไม่ให้เดินจงกรมไม่ให้นั่งสมาธิไม่ให้เจริญสติก็แสดงว่าไม่มีมรรที่เป็นองแปดอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าเราเป็นคนที่มีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธเจ้าก็ขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็พอครับคำถามข้อต่อไปจากคุณปักธรรมานะครับ ผู้ที่ทําบุญแล้วเอาไปหักภาษีคืนถือว่าได้บุญไหมก็ได้บุญน้อยลงไงคือสมมุติเราทําบุญร้อยบาทแล้วเราก็ไปหักภาษีสิบบาท <c oughs> ก็เท่ากับเราทําบุญแค่เก้าสิบาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็สู้ทําบุญเก้าสิบาทไปเลยไม่ดีกว่าแล้วไม่ต้องไปหักภาษีให้มันเสียเวลาเปล่าๆที่เขาให้หักภาษีเพราะเขาอยากจะสนับสนุนให้เราได้ทําบุญ แ่เขาเห็นว่าเรายังโลภยังอยากได้เงินอยู่เขาก็เลยล่อด้วยการคืนเงินให้กับเราเหมือนกับเราสมัยนี้ไปซื้อข้าวของต่างๆตามซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็คืนเงินให้เราแจากคูปองคูปองลดราคาให้เราก็เพื่อที่จะล่อให้เราไปซื้อของกับเขาเท่านั้นเองถ้าเราอยากจะประหยัดเงินแล้วก็ซื้อของให้มันน้อยลงไปก็หมดเรื่องใช่ คำถามข้อต่อไปจากคุณทิติคารนะครับมีเพื่อนฝากากราบเรียนถามว่าอ่านหนังสือธรรมะเจอบทความเรื่องสมมุติเกิดความสับสนว่าในเมื่อทุกอย่างในโลกนี้เป็นของสมมุติไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ก็ตามพระอรหันต์ก็ตามแสดงว่าบาปบุญก็เป็นของสมมุติคำถามข้อที่หนึ่งทำไมคนเราต้องรับกรรม ในบาบุญเมื่อเป็นของสมมุติบาบุญไม่ใช่ของสมมติบาบุญนี่ของจริงเข้าใจไหมคือคนยังไม่รู้ยังแยกแยะไม่ออกว่าอะไรเป็นสมมติอะไรไม่ใช่เป็นสมมติข้อที่สองถ้าพ่อแม่ลูกเป็นสิ่งสมมุติงั้นตัวเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบในการดูแลต้งไปปฏิบัติคนเดียวหรือออกบวชเพื่อให้ตรงหลุดพ้น ไม่ดีกว่าเหรือเจ้าคะเหมือนพระพุทธเจ้าสละราชสมบัติแล้วออกบวชถ้าเป็นอย่างนั้นคุณก็คงจะไม่มีเวลาโตขึ้นมาถามคําถามมันนี้ได้ได้คือถึงแม้จะเป็นสมมุติแต่เป็นสมมุติที่ทุกคนยอมรับกันเชื่อกัน อ, อันนั้นถึงแม้จะไปบอกคนทั่วโลกว่าเป็นสมมุติก็ไม่มีใครเชื่อเราหรอก เขาก็ยังเชื่อว่ามันเป็นของจริงอยู่เขามีลูกเขาก็ตั้งรักลูกหวงลูกเลี้ยงลูกเขาไปตามธรรมดาของเขาอยู่แล้วเพรา ะ, ะนั้นการที่จะมาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เป็นเพียงแค่ท่าเท่านั้นเองแต่ความจริงแนละ้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าพูดว่าการปฏิบัติไปเนี่ยเมื่อปฏิบัติแล้วมีปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นสมมติ คือสมมุติก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งทำมาจากดินน้ำลมไฟมีอาการ32แต่สถานภาพที่เรามีต่อการนี้เราเรียกว่าสมมุติเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คนที่มีปัญญาเขาจะแยกแยะ ความจริงกับสมมุติและรู้ถึงความความจำความจเป็นต่อการปฏิบัติต่อความจริงแต่ละชนิดสมมุติถึงแม้ว่าจะเป็นสมมุติมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องอการอยู่เหนือสมมุติมันก็อยู่อีกเรื่องหนึ่งมันมันมีทั้งสองส่วนที่จะต้องรู้วิธีปฏิบัติต่อต่อระดับความจริงในแต่ระดับระดับที่เหนือสมมติก็คือไม่ให้ยึดติดสมมติ ให้รู้ว่าสมมุตินี้เป็นความจริงชั่วคราวเป็นเหมือนกับเราไปดูละครอย่างนี้พอละครจบลงตัวละครต่างๆก็แยกทางกันกลับกลับบ้านกันไปบ้านของใครบ้านของมันไม่ต้องไปทุกข์กับการจากกันไปอันนี้หมายถึงสำหรับผู้ที่มีความรู้ระดับเหนือสมมุติขึ้นไปแต่ผู้ที่ยังไม่มีความรู้ระดับเหนือสมมุติก็จะติดอยู่กับสมมติ เวลาสูญเสียสิ่งที่ตอนคิดว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ไปก็จะเศร้าโศกเสียใจทุกทรมานใจก <Yeah. S 1> ารปฏิบัติของทางศาสนาพุทธนี้ก็เพื่อสอนให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เราสูญเสียไปนี่มันเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจอะไรเพราะสิ่งที่จากไปจริงๆก็มีสองส่วน ส่วนหนึ่งก็คือร่างกายอันนี้ก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมฝ่ายไปส่วนใจผู้ที่มาเป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้ก็ไปอีกทางหนึ่งไปตามบุญตามบาปที่ได้ทำเอาไว้ผู้ที่เข้าใจที่มีปัญญาแล้วก็จะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจเพราะรู้ว่าไม่มีใครตาย สิ่งที่ตายก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นเพียงดินน้ำลมไฟผู้ที่มาใช้ร่างกายที่ตายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย <c oughs> ก็คือใจใจของพวกเราทุกคนนี้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจของพวกเราก็ออกจากร่างนี้ไปแล้วเราก็าไปตามบุญตามบาปที่เราทำไว้พอเรารับผลบุญผลบาปหมดแล้วเราก็กลับมาได้ร่างกายอันใหม่ มาเล่นสมมุติอันใหม่ต่อไปมาได้พ่อแม่คนใหม่ได้พี่น้องคนใหม่ได้สามีได้ภรรยาคนใหม่หรือบางคนอาจจะได้ของเก่าก็ได้เพราะเคยทําบุญร่วมกันมาทุกชาติทุกสมัยมีความผูกพันมีความเกี่ยวข้องกันมาตลอดก็อาจจะได้กลับมาเกิดมาพบกันใหม่ได้เป็นสามีได้เป็นภรรยากันใหม่อีกก็ได้แต่อันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษ แต่โดยทั่วไปแล้วก็เวลาเรากลับมาเกิดใหม่เราก็มักจะได้พ่อแม่คนใหม่พี่น้องคนใหม่สามีภรรยาคนใหม่แล้วเราก็หลงรักเขาติดกับเขาไปเวลาต้องตายจากกันไปก็เศร้าโศกเสียใจกันแต่ถ้าเราได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถปฏิบัติจนเห็นความจริงที่เหนือสมมุติได้เราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจเท่านั้นเอง การให้มีให้รู้ความจริงนี้เพื่อที่จะดับความทุกข์ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ให้รู้ความจริงแล้วก็ปล่อยปะละเลยหน้าที่ที่สมควรที่จะทาอันนี้มันคิดตามแบบของคนโง่ของคนที่ไม่มีปัญญาคิดคิดตามแบบของกิเลสคือชอบเอาแต่ตัวรอดเอาแต่ตัวสบายคำถามข้อต่อไปจากคุณมิติบุญเลืองนะครับ ผู้ที่ประพฤติตนไม่ดีไม่ถูกต้องจนดีคนดุด่าว่ากล่าวจนถึงสาบแช่งทําให้คนที่ดุด่าว่ากล่าวสาบแช่งนั้นผิดสัมมาวาจาเป็นกรรมที่ไม่ดีผู้ที่ประพฤติไม่ดีไม่ถูกต้องนี้จะเป็นบาปเพิ่มไปอีกหรือเปล่าที่ทำให้คนที่ว่ากล่าวสาบแช่งนั้นมีกรรมที่ไม่ดีคนที่ว่ากล่าวสาบแช่งนันหละเป็นคนที่ไม่ดี ทำไมต้องไปว่ากล่าวสาบแช่งเขาด้วยเขาดีเขาชั่วมันก็เรื่องของเขาถ้าเราไปด่าเขาไปว่าเขาเราก็ชั่วเขาพอๆกับเขานั่นแหละพระเจ้าถึงสองนนีเรามีสัมมาวาจาสัมมาวาจาก็คือไม่กล่าวร้ายผู้อื่นเขาจะร้ายเขาจะเลวอย่างไรมันก็เรื่องของเขาเราไม่มีหน้าที่จะต้องไปว่ากล่าวไปทำบาปด้วยด้วยวาจาที่ไม่ชอบนี่ เพยาะฉะั้อย่าไปโทษว่าคนอื่นทำไม่ดีแล้วทำให้เราไม่ดีไปด้วยอันนี้ไม่ถูกเขาไม่ดีก็เรื่องของเขาเราก็รักษาความดีของเราไปเราก็อย่าไปด่าเขาก็แล้วกันคำถามข้อต่อไปจากคุณโสมพานะครับได้อ่านบทความรู้สึกศรัทธาในคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากทำให้ดิฉันอยากจะปฏิบัติธรรม แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นปฏิบัติแบบไหนอยากขอความเมตตาช่วยแนะนำด้วยก็ฟังเทศสั่งธรรมไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้เองว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรวันนี้ก็ได้แสดงไว้แล้วลองฟังเทศกันนี้ดูก็ได้คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณนิกกิมาโนนะครับ เป็นคนมีอัตราเยอะมากเป็นคนเก่งและเหมือนเยี่ยมและเมื่อก่อนบ่อยครั้งชอบแอบ ด, ดูถูกผู้อื่นบ่อยครั้งที่ชอบคุยโม้ถึงสรรพคุณตนเองปัจจุบันอัตราลดลงไปมากแต่ยังคงมีหนาอยู่ที่สำคัญพูดไปแล้วทำไปแล้วมันเห็นแล้วรู้สึกละอายใจเหลือเกินที่กูคิดว่ากูเยี่ยม ช่างน่าเกีียดเหลือเกินจะแก้ไขอย่างไรดีให้อัตราลดลงได้ก็ให้ถามตัวเองว่าเราเอาชนะกิเลสได้หรือยังเราชนะกิเลสความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้หรือยังถ้าเรายังชนะไม่ได้ก็ถือว่าเรายังไม่เก่งจริงขอให้ดูตัวนี้เป็นหลักก็แล้กัน มีผู้สงสัยนะครับในการบวชนะครับคุณวินเตอร์นะครับมีโอกาสได้ไปกราบฟังทำพระอาจารย์หลายครั้งพอใจในรูปแบบและคำสอนของพระอาจารย์และกระผมจะบรรประชาอุป ส, สมบทก่อนบรรเข้าพรรษาปีนี้ขอเมตตาอนุเคราะห์เรียนถามพระอาจารย์ว่าหากกระผมบวชที่วัดอื่นจะมาขอถือนิสัย อยู่ศึกษาข้อวัดปฏิบัติจากพระอาจารย์ได้หรือไม่สมควรกับทำเช่นไรการบวชน่นาควรจะบวชกับบุคคลที่เราคิดว่าเราจะอยู่และศึกษาด้วยเพราะตามพระธรรมวินัยนี้ท่านได้กำหนดไว้ว่าเมื่อบวชแล้วจะต้องอยู่กับอุปชาอาจารย์ห้าพันศาด้วยกันนอกจากกรณีที่อุปชา ได้ฝากให้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถที่จะอบรมสั่งสอนแทนท่านได้ในทางปฏิบัตินี้ถ้าเราไปบวชวัดอื่นแล้วเรามาอยู่วัดอีกวัดหนึ่งนี้มันจะเป็นปัญหาได้เพราะเรื่องของจํานวนที่ภาคอาจจะไม่พอแล้วการมาอยู่จากบวชที่วัดหนึ่งมาอยู่อีกวัดหนึ่งในสถานภาพนี้จะต่างกัน ถ้าบวที่วัดนี้แล้วอยู่กับที่วัดนี้ก็ถือว่าเป็นลูกของวัดนี้เป็นพระของวัดนี้แต่ถ้าบูทที่วัดอื่นแล้วมาอยู่ที่วัดนี้ถือว่าเป็นอาคมตุกะเป็นผู้เป็นแขกฉะนแขกกับจะมีสถานภาพไม่เหมือนกับเป็นเป็นลูกถ้ามีความจำเป็นจะต้อง เลือกระหว่างลูกกับอาการตุกกะก็ต้องเลือกลูกก่อนเช่นถ้าที่อยู่ไม่พอเพียงก็ต้องจัดให้ลูกอยู่ก่อนส่วนอาการตุกกะนี้ก็ต้องขอให้ไปกลับไปสู่ที่วัดของตนดังนั้นถ้าอยากจะบวชแล้วปฏิบัติที่วัดไหนก็ควรที่จะไปบวชและปฏิบัติที่วัดนั้นจะดีกว่า คำถามข้อต่อไปเป็นคำถามตบค้างจากอาทิตย์ก่อนนะครับจากคุณสลานพศนะครับข้อที่หนึ่งอารมณ์กับความคิดอะไรเกิดก่อนกันความคิดนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เกิดอารมณ์ที่เราปฏิบัตินี้ก็เพื่อที่จะหยุดความคิดพอเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดอารมณ์ได้ที่เราบริกรรมพุโทโธพุโทโธมันก็จะห้ามไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ พอไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากหรืออารมณ์ท so ี่เกิดขึ้นจากเรื <we ak> ่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่เกิดเวลาจิตสงบไม่มีความคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆก็จะหายไปหมดนี่คือความคิดความคิดนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เกิดอารมณ์อะไรต่างๆตามมาเกิดกิเลสตัณหาต่างๆตามมาเกิดความทุกข์ตามมาถ้าหยุดความคิดได้หรือคิดไม่ให้คิด ไปในทางความอยากก็จะไม่มีอารมณ์ไม่มีปัญหาตามมาความคิดของเรานี้มันไปได้สามทางด้วยกันคิดไปในทางความอยากคิดไปในทางความไม่อยากหรือคิดไปในทางกลางๆงอันนี้ถ้าเราคิดไปในทางความอยากมันก็จะทำให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าคิดไปในทางไม่อยากใจก็จะสงบเย็นสบาย ส่วนกลางๆนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันก็คือไม่คิดไม่คิดก็แสดงว่าไม่ได้ไปทางอยากหรือทางไม่อยากถ้าคิดก็ต้องคิดไปในทางไม่อยากเช่นเราอยากจะสูบบุหรี่เราก็ต้องคิดถึงโทษถึงพิษถึงภัยของบุหรี่ว่าสูบแล้วจะทําให้อายุสั้นทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเสียสุขภาพเสียเงินทอง และทำให้เราต้องเป็นทาตของบุหรี่เวลาไม่มีบุหรี่สูขเราก็จะหงุดหงิดลาคาญใจนี่คือคิดเพื่อให้หยุดความอยากถ้าคิดแบบนี้เรียกว่ามักเป็นธรรมถ้าคิดว่าโอ้ได้สูบบุหรี่แล้วจะมีความสุขเห็นแล้วต้องสูบให้ได้อยากแล้วต้องสูบให้ได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นตันหาเป็นความคิดที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เนี่ยที่เรามาปฏิบัติกันเพื่อเพื่อที่จะมาแก้ความคิดนี้ท่นเองขั้นต้นก็หยุดความคิดก่อนพอใจไม่คิดแล้วมันก็ว่างไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์หิวอารมณ์อยากใจมันก็อิ่มก็พอมีความสุขแต่พอออกจากสมาธิตอนที่ใจไม่ได้คิดพอออกมาใจก็จะเริ่มคิดก็ต้องคอยบังคับให้คิดไปในทางไม่อยากเช่นเห็นอะไรก็ต้องคิดสวนกระแสไปสวนทางไป คิดว่ามันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปให้คิดอย่างนี้ตอนคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ไม่ดีต่างๆได้ข้อที่สองสำหรับฝรั่งธรรมดารรมดาทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นชาวพุทธพวกเขาควรจะมีทักษะอะไรบ้างที่จะช่วยให้เขาจัดการและไม่ตกเป็นทา ข, ของอารมณ์ ได้ไม่มากก็น้อยพระพุทธเจ้าส่งสอนว่าบาปมีจริงผลของการกระทำบาปคือนรกมีจริงบุญมีจริงผลของการทําบุญคือสวรรค์มีจริงตายแล้วต้องไปเกิดใหม่มีจริงตายแล้วต้องไปเวียนว่ายตายเกิดการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดคือมรรคผลไม่พานก็มีจริง นี่คือทัศนคติที่ใครก็ตามควรจะมีไว้เพราะว่าถ้ามีทัศนคติแบบนี้ก็ถือว่ามีสัมมาทิฏฐินี่เองมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องการคิดก็จะคิดไปในทางที่ถูกต้องก็จะคิดไม่ทาบาปคิดละบาปคิดทำบุญคิดชําระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจ คิดอย่างนี้การกระทำก็จะเป็นการกระทำไม่ทำบาปรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมถ้ามีความมีทัศนคติมีสัมมาทิฏฐิแบบนี้ก็จะนําไปสู่การคิดการพูดการกระทำที่ดีต่อไปหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับอาจารย์ทั้งนี้มีใครอยากจะถามไหม ก็บอกว่าอนโมธนาสาธุเฉยๆได้บุญตั้งแปดกับนุ่นุ่งเงินหวยเจ้าค่ะมันก็ได้ไม่เท่ากับการทําบุญของเราเองเอถ้าเราได้บุญแปดกับจากการอนุโมสาธุเราก็ได้แปดหมื่นกับจากการทําบุญของเราคือการนุโมทนาบุญมันทําให้เรามีความสุขไปกับการทํําทาความสุขของผู้อื่นดีกว่าคนบางคนอิจฉาริษยาหรือไม่เห็นด้วย เวลาคนอื่นทําบุญแล้วแทนที่จะอนุโมทนากลับไปแย้งว่าทําไปทําไมเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆนี่แสดงว่าถูกกิเลสตัวตันนีคอยลุ่มเล้าเอาไว้ตัวทําให้ตัวเองไม่สามารถที่จะเพป็นแม้กระทั่งไม่ใช่เป็นเงินของตนเองก็ยังหวงหวงเงินของคนอื่นไม่ยอมอนุโมทนาบุญด้ว ย, ย, ย, ยใช่เออ ถ้าเราเห็นคนอื่นทําบุญแล้วเราอย่างน้อยเราอานิโมทนาบุญถึงแม้ว่าจะไม่เป็นเงินของเราอย่างน้อยเราก็ยังไม่ไปหวงเงินของคนอื่นแล้วต่อไปเราอาจจะไม่หวงเงินของเราก็ได้ต่อไปหลวงพ่อป้ายจันูดตรงเทพมาหนูขึ้นมาฟังกันนเป็นหลายเดือนแล้วขึ้แก่ขึ้นแก่วันนี้เลยแก่ที่ว่าหนูชอบใส่บาตรตอนเช้าแล้วก็ชอบไปทําบุญชอบมีความสุขกับการการไปอย่างเงี้ยวันเนี้ยสุด เคยี่ยมวันนี้ <c oughs> แหละจิตเป็นนัสมาธิแต่ชอบไปชอบอยู่กับรับยศกับเสริญอะไรอยู่ประมาณนี้เองตีวจะใสบ่บาตรทุกวันก็ออกดีทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าชอบ น, ชนะอาจารย์ครับมีคำถามตกค้างอีกข้อหนึ่งครับจากบุรลานานะครับ อ, อยากให้พระอาจารย์แนะวิธีข่มจิตมานที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งอย่างเช่นเวลาเห็นรูปภาพหรือเห็นครูบาอาจารย์ จิตมันคิดไม่ดีคิดปา마สครูบาอาจารย์<ม>แต่อีกจิตหนึ่งก็คอยห้ามไว้<ม>ว่าอย่าคิดแบบนั้นพระอาจารย์ช่วยแนะนําด้วยเจ้าค่ะจะได้ไม่เพิ่มกรรมให้ตัวเองทุกครั้งที่เราคิดไม่ดีเราก็ต้องหามาตรการมาลงโทษตัวเราเช่นถ้าคิดไม่ดีวันนี้ก็อดขนมไม่กินขนมถ้ามีบทลงโทษแล้วต่อไปมันก็จะไม่กล้าคิดไม่ดีเองถ้า ถ้าไม่มีบทลงโทษมันก็มันก็ไม่กลัวเดี๋ยวมันก็คิดไม่ดีเรื่อยเพราะฉะนั้นเราต้องหามาตรการมากำลาบความคิดที่ไม่ดีนี้เราชอบทําอะไรเราชอบเดี๋ยอะไรชอบฟังอะไรพอเราคิดไม่ดีเราบอกวันนี้เราจะไม่ทําสิ่งนั้นแล้วต่อไปมันก็จะไม่กล้าคิดไม่ดีแต่เราต้องมีความเด็ดเดี่ยวต้องกล้าลงโทษตัวเราเองถ้าเราไม่กล้าลงโทษตัวเราเองนี่มันก็ไม่สําเร็จ อย่างหลวงตานี้ท่านมีความเด็ดเดี่ยวท่านลงโทษตัวนั้นเองเลยเช่นตอนที่ท่านบวชใหม่ๆท่านฉันฉันฉันเสร็จรางบาตเช็ดบาตยังไม่ทันแห้งมันก็หิวอีกแะ้วมนบอกถ้ามันคิดอย่างนี้ต้องไม่กินข้าวสักสามวันท่านก็เลยอดข้าวสามวันพออดข้าวสามวันทนี่มันไม่กล้าคิดแล้วเพราะถ้าคิดก็ก็กโดนอด อ, ดอีกสามวันเข้าใจไหม เราต้องหามาตรการมา ท, ท, ท, า ท, ทนนําทําโทษตัวเราเองเนี่ยทําโทษคนอื่นง่ายแต่ทําโทษตัวเราเองเนี่ยมันยากแต่ถ้าเราทําโทษตัวเราเองได้รับรองได้ว่าเราจะแก้ไขความคิดที่ไม่ดีการพูดที่ไม่ดีการกระทําที่ไม่ดีของเราได้เพราะมันมีความเข็ดหลาบคนเราถ้าทําแล้วมันมีโทษตามมาก็ไม่อยากจะทํากันดังนั้นต้องหามาตรการต้องหาเอาเองว่า มาตรการแบบไหนทําแล้วมันถึงจะเข็ดหลามแล้วต้องกล้าทําถ้าเราถ้าเราอยากจะกําจัดไอ้ความคิดที่ไม่ดีต่างๆเหล่านี้ออกไปอาจารย์ครับแถมข้อหนึ่งครับอาจารย์เนื่องจากในนี้วันนี้มีโยมท่านหนึ่งที่กําลังมีทุกข์กับความรักขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะเลยครับอาจารย์ก็บอกแล้วไงว่ามันของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรารักอะไรสิ่งที่เรารักนี้เราไม่สามารถที่จะไป ควบคุมบังคับให้เขาเป็นเหมือนเดิมได้เสมอไปเราเรารักเขาเขารักเราวันนี้พรุ่งนี้เขาอาจจะรักเราน้อยลงไปก็ได้หรือไม่รักเราเลยก็ได้เวลานั้นแล้วเราจะทำอย่างไรหรือเขาเขารักเราอยู่แต่เขาเกิดอุบัติเหตุเขาตายจากเราไปอย่างนี้เราต้องพยายามพิจารณาอนิจจังอยู่เรื่อยๆพิจารณาอนัตตาอยู่เรื่อยๆ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมได้มีขึ้นมีลงได้มีมามีไปได้เป็นอนัตตาก็คือเราควบคุมบังคับไปได้ไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาดีให้เขารักเราไปตลอดไม่ได้สั่งให้เขาอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์แล้วก็อย่าไปรักเขามากจนเกินไปรักเพียงครึ่งเดียวก็พอ รักเผื่อรักตัวเราอีกครึ่งหนึ่งตอนนี้เราไม่รักตัวเราเลยเราไปรักเขาเต็มเต็มร้อยพอเขาทิ้งเราเราเลยไม่มีอะไรจะรักนั้นเราต้องรักตัวเราครึ่งหนึ่งคือเราต้องคิดเผื่อไว้ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เขาอาจจะจากเราไปก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่หลงรักเขามากจนเกินไป พอเวลาเขาเปลี่ยนไปเวลาเขาแจกออกไปเราก็ทําใจได้เราก็จะไม่ทุกข์มากเกินไปเดี๋ยให้คิดว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ตอนนี้เราก็จะไม่มีเขาอีกแล้วเราทําไมจะอยู่ต่อไปไม่ได้มันก็กลับไปที่เดิมเท่านั้นเองเราก็ไม่ได้ไม่เสียอะไรนะทุกคนขอให้เราอย่าประมาทพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง มีการเจริญมีการเสื่อมเป็นธรรมดาสังขารก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยร่างกายนี้ก็สังขารเข้าของเงินทองก็สังขารเดืของทุกอย่างมันมีเจริญมีเสื่อมมีเพิ่มมากขึ้นมีลดน้อยลงไม่มีอะไรแน่นอนดังนั้นเราอย่าไปหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันที่จะเร็วลงไปเช่นทำมาหากินก็ต้องมีแต่กําไรอยู่เรื่อยๆ พอวันไหนไปเจอวันที่ขาดทุนขึ้นมาก็เสีย อ, อกเสียใจทั้งที่เงินเทายังมีเหลืออยู่กองเท่าภูเขาแต่เสียไปนิดเดียวก็เสียใจแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่มองความไม่เที่ยงเราคิดว่าจะต้องกําไรอยู่เรื่อยๆจะต้องขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่ของทุกอย่างในโลกนี้มันมีขึ้นมีลงมีเกิดมีมีดับมีจุดเริ่มต้นแล้วมีจุดสิ้นสุด และพระเจ้าจึงสอนให้เราร ล, ลึกถึงจุดสิ้นสุดกันบ่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงกันเราไม่ชอบคิดถึงจุดจบกันชอบคิดแต่จุดเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพียงอย่างเดียวเราลืมไปว่าไม่ว่าจะเจริญสูงสุดขนาดไหนมันก็ต้องจบลงไปได้เหมือนกันงันะ้นถ้าอยากไม่อยากจะทุกข์กับสิ่งต่างๆก็คือให้ใช้ปัญญาให้พิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอน คือสรุปก็ให้พิจารนานิจังทุกขังอนัตตานี้เองฮะอนิจังคือไม่เที่ยงอนัตตาก็คือเราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ถ้าเราอยากเราก็จะทุกข์ถ้าเราอยากจะให้เที่ยงอยากจะให้สั่งได้เราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่อยากเราเอาตามตามบุญตามกรรมตามมีตามเกิดนี้เราก็จะไม่ทุกข์มาก็ได้ไปก็ได้เจริญก็ได้เสื่อมก็ได้นี่คือหลักของการปฏิบัติของชาวพุทธเรา เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการพิจารณาจุดจบเนี่ยอเหมือนกับการพิจารณาเหตุที่ต้นเหตุนหครับอาจารย์คือต้อนมันผ่านมาแล้วเนะี่ยเช่นเกิดนี่เราเกิดมาแล้วแต่สิ่งที่ยังตามมาที่หลังนี้ยังไม่มาแต่ต้องมาถ้าเราไม่เตรียมตัวรับมันไว้เดี๋ยวมันมาเราจะรับไม่ได้ คือความแก่ความเจ็บความตายดังนั้นเหตุที่เกิดมาแล้วนั้นไม่ไม่เป็นปัญหาแล้วสิ่งมันผ่านไปแล้วสิ่งที่ยังเป็นปัญหาก็คือเหตุที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาสิ่งที่พระเจ้าทึงสอนให้คิจรณาอยู่เรื่อยๆก็คือความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ้าจากกันอันนี้มันจะตามมาดังนั้นถ้าเราไม่ไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้เวลาเกิด เหตุการณ์นี้ขึ้นมาเราจะทำใจไม่ได้แต่ถ้าเราเตรียมตัวสอนใจเรื่อยๆเราจะทำใจได้เราจะไม่ทุกกับการแก่การเจ็บการตายเราละนะคิดว่าวันนี้ฝนฟ้าจะเลิก ม, มาแนละ้วก็ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไป จเจริญไปปฏิบัติต่อเพื่อความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอน